ญาติอาสาธรรมิกทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีและ้วญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมะโซนาอีกวันหนึ่งซึ่งบรรจบเข้ามาในช่วงคขบันศานี้ช่วงคขบันศานี้นะก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นวันที่สําคัญะระยะหนึ่งในพุศานาทีเดียวนะ พในยุคพุทธกาลนั้นพระเนี่ยจะเดินเผยแพร่ไปเรื่อยๆจะลิกไปในที่ต่างๆอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่มีการอยู่อย่างถาวรที่ใดที่หนึ่งเพราะในยุคพุทธกาลนั้นในยุคนั้นจริงๆแล้วในวัดนี่มีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีวัดเลยก็ว่าได้ พะเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ประจําที่ใดที่หนึ่งนะก็จะเดินทางอาจาริ์ฤกษ์ไปในที่ต่างๆในยุคอินเดียโบราณเนี่ยพระหรือว่านักบุญในสมัยนั้นนะจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทางนะจะเดินทางไปที่ต่างๆอยู่เป็นประจําแล้วก็ที่ต่างๆก็จะมีโรงทานตั้งอยู่นะเพื่อที่จะรองรับผู้ที่จะรย์กแสวงบุญเหล่านี้นั่นแหละเพราะนั้นในสมัยนั้นแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้ว พระเนี่ยก็ยังเดินทางอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปเหยียบย่ำข้าวในนาของชาวบ้า น, นทำให้ข้าวในนาเนี่ยเสียหายนะก็มีผู้ที่มาแจ้งแก่พระพุทธเจ้าในจุดนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเห็นความที่ว่าเออถ้าหากว่าปล่อยใหม้มีการจาริกไปเรื่อยๆในช่วงในระยะหน้าฝนนี้ก็จะเป็นที่เสียหายมากขึ้น ก็เลยทรงมีพุทธปัญญัติในการที่ให้จำพรรษ า, าเป็นเวลาสามเดือนขึ้นมาในในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็เลยเป็นการที่จะให้พระในอยู่จำพรร า, ากันจริงๆเกิดขึ้นและการจำพรรษา น, นี้ในสมัยนั้นก็ไม่มีวัดเช่นกันนะเป็นป่าเป็นเขาเป็นสถานที่ต่างๆซึ่งพระ อยู่กันโดยไม่ได้กำหนดเขตเพราะนั้นในวันตรงวันจำพรรษาเนี่ยก็จะมีการกำหนดเขตว่าเขตแค่ไหนที่ถือว่าเป็นบริเวณที่จะจำพรนษาก็คือกำหนดให้แน่นอนนะถ้าไม่กำหนดให้แน่นอนก็กลายเป็นว่าไปจำที่ไหนก็ได้ห่างไกลไปก็เป็นที่ที่จำพรรษาได้หมดก็เลยกำหนดเป็นภูเขาบ้างเป็นจมปุกบ้างเป็นต้นไม้บ้างเป็นแม่น้าบ้างกาหนดเป็นเขตไป ว่าจำพรรษาในสามเดือนนี้ก็ต้องอยู่ในเขตเหล่านั้นจะออกไปนอกเขตไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดเนี่ยก็ต้องกําหนดเขตเหมือนกันอย่างวัดที่ไม่มีรั้วเนี่ยก็ต้องบอกเขตให้แน่ชัดว่าเออบริเวณวัดอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นพระเนี่ยถ้าไปออกไปนอกบริเวณวัดเป็นนอนนอกบริเวณวัดก็ถือว่าอาจจะไม่ได้อยู่จำพรรษาก็ได้แต่ถ้าวัดที่มีรั้วก็กําหนดเขตรั้วก็ชัดเจนนะ แล้วโดยเพราะในช่วงจำพรรษานี่ก็มีหลายๆวัดซึ่งเป็นวัดส่วนมากจะเป็วัดป่าส่วนใหญ่วัดป่าส่วนใหญ่ก็ถือเคร่งคัดในตรงนี้ว่าอดนอนพออาหารกันเพราะว่าจะเร่งภาวนาปฏิบัติธรรมกันเป็นเป็นอย่างยิ่งเป็นช่วงเป็นช่วงที่พระเนี่ยจะเร่งความเพียรนแะแล้วก็อาจจะบางท่านก็จะถืออะไรพิเศษเช่น ถือทุดงกวัฏบางข้อบางท่านอาจจะถืออี บ, อบทสามนะไม่นอนก็คือในสัตวิชิกไม่นอนเป็นบางวันหรือไปบินทบารรับแต่อาหารเฉพาะที่บินธบารเท่านั้นจะไม่รับอาหารที่ตามมาส่งทีหลังเป็นการถือเคร่งคัดเพิ่มขึ้นเพื่อกำจัดกิเลสให้น้อยลง เพราะนั้นในช่วงขบันษานี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะต้องเล่งความเพียร น, นะหรือแม้แต่บางวัดนะก็พยายามไม่ให้มีการกอร่อสร้างต่างๆนะสมัยสมัยก่อนจรมะเคยไปอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งนะก็ปรากฏว่าในช่วงขรันษานี่ก็มีฝนตกแรงน้าก็พังน้ำก็พัดมาแรงมาก ก็พัดกำแพงเนี่ยพังไปแถมหนึง่งในช่วงขบันษาว่ากัว่าในวัดในมีหมูป่าอยู่เยอะมากเลยก็หนีออกไปทางช่องกำแพงนั้นชาวบ้านก็จับกันไปเยอะเลยแต่ว่าเจ้าบ้านไม่ทำไม่ก่อสร้างในช่วงขบรรันษะาก็ต้องรอให้ออกบรรษาก่อนจึงก่อสร้างกันนะเพราะนั้นในช่วงขบันษานี้ก็ให้เล่งภาวนาเต็มที่นะ ยังวัดป่าบรรตานี่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตะปูตีตอกตะปูมาแต่ตัวเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่งความเพียรในสายวัดป่าต่างๆเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่ว่าถ้าใครปรารถนาที่จะเล่นความเพียรก็คงจะอาศัยช่วงนี้เล่นความเพียรกันนะเพราะว่ามันก็พร้อมทุกๆอย่างนะแล้วช่วงขบรรดาศนี้ก็ถือว่าอากาศดีนะ ไม่ร้อนไม่หนาวนะแล้วก็มีฝนก็ไม่ได้ไ ป, อ, ปอุปสรรคมากนักนะเนะพราะทั้งครูบาอาจารย์ก็จะมาอนะยู่รวมๆกันนะโดยเฉพาะในสายวัดปา่าต่างๆนี้ในช่วงเ <c oughs> ข้าพรรษาใหม่นี้กนะ็เป็นช่วงที่ท่านไปทำวัดครูบาอาจารย์กันนะเพราะว่าครนะูบาอาจารย์ น, นท่านจะไม่ค่อยอยู่วัดหลอกแต่ถ้าช่วงพรรษาก็จะอยู่วัดประจำํำนเะพรพาะนักพระก็จะไปนะทำวัดก็คือไปกราบ คาววาขอโอโหติกรรมหรือว่าไปฟังธรรมจากท่านในช่วงนี้นะจึงเป็นช่วงที่ว่าเออเป็นช่วงที่ดีนะครูบาอาจารย์ก็อยู่แล้วก็พระก็เร่งเร่งภาวนากันทำทำความเพียร น, นะครา้นี้นะเราจุดสําคัญก็คือว่าเราทําความเพียรใ น, นถูกต้องไหมถ้าทําความเพียรไม่ถูกต้องมันก็เสียเวลาไปโดยใช่เหตุ เพราะว่าการทําความเพียร น, นี่ถ้าทําไม่ถูกต้องก็เรียกว่าเดินก็บนไปวนมาก็เสียเวลา <c oughs> การทําความเพียร น, นี่ก็มีอยู่หลายอย่างนะก็มีสมถะมีวิปัสสนาครั้นี้อย่างสมถะนี่ก็ถือว่าไม่ผิดนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นการทําให้จิตมีความสงบมีการให้ให้จิตเนี่ยเกิดกําลังได้พักผ่อนในทางจิตนะ ครนี้ถ้าทําสมาทาแล้วเนี่ยสําคัญว่าเออมีมีความรู้สึกตัวไหมสามารถที่จะรู้ทันอารมณ์ต่างๆในจิตเรานั้นไหมเช่นจิตนะมีความคิดเกิดขึ้นน่รู้ทันไหมแล้วก็ดับไปไหมเห็นความเกิดความดับของจิตในความคิดนั้นไหมถ้านั่งสมาทาแล้วจิตจมนิ่งจมแช่เฉยไม่ได้เห็นสภาวะจิตที่มันอ เคลื่อนไหวหรือแสดงอาการต่างๆคือไม่เห็นอาการของจิตนะมันก็ทําให้ว่าอาจจะเป็นแค่พักผ่อนในจิตเท่านั้นเองนะจิตก็ไม่ก้าวหน้านะแต่ถ้าจเจริญสมถะแล้วสามารถเห็นสภาวะจิตที่มันเกิดความดับนะในความคิดแล้วลมต่างๆก็ถือว่าเป็นสภาวะที่พอจะใช้ได้อยู่นะแต่สิ่งเหล่นั้นก็ต้องมีความละเอียดในจิตมากที่จะเข้าไปรู้เท่าทันนะเพราะจิตที่สงบนิ่งเนี่ย โอกาสที่เห็นสภาพว่าเกิดดับเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะต้องเป็นผู้ที่มีความสังเกตได้พอสมควรจึงจะเห็นตรงนี้ชัดนะแต่ว่าในการเจริญสติในแนวลงมเทียนนี้นะมันสามารถที่จะเห็นได้ชัดได้มากขึ้นเพราะว่าจิตไม่ได้สงบนะจิตต่างๆนะ ม, มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่ได้ทำจิตให้สงบแต่เป็นลักษณะที่ว่าเราตามดูความจริงของจิตว่าเออมีความเคลื่อนไหวไปอย่างไร มีความคิดมีความคิดหรือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้ความเคลื่อนไหวในสิ่งเหล่านั้นไปเป็นสภาวะที่เราไม่ ไ, มได้ไปปิดปิดปิดอ่าปิดกัน้นปิดห้ามความคิดนะ่ะหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าไม่ห้ามความคิดอันนี้ดีมากนะเพราะาถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเราเห็นสภาวะธรรมในต่างๆเยอะมากเลยในความเกิดและความดับของความคิดนะในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ดับไป มันจะเห็นตรงนี้ได้ไดชัดเจนนะถ้าเราสามารถที่จะเป็นผู้ดูผู้รู้ในตรงนี้ได้มันก็จะได้เข้าใจสภาวะธรรมตรงนี้ซึ่งสิ่งเราเนียมันจะมะีมีประโยชน์ตามมาในการที่เราเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเราปล่อ ย, อยกระทบแล้วเราปล่อยเนี่ยมันจะเป็นการที่เราไม่ติดอารมณ์แล้วมนเห็นสภาวะอารมณ์ที่มันผ่านเข้าผ่านออกได้ชัดเจนเนหะ็นสภาวะความเกิดความดับนะ ครั้นี้เพราะมันเห็นบ่อยมันก็จะเห็นว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นเองนะมันก็เป็นธรรมดาอ่าคือจากคนที่ไม่ค่อยเห็นอารมณ์เนี่ยพอเห็นาพอกระทบอารมณ์แล้วมันก็จะติดนะจะติดเพราะว่าอารมณ์มันจะนานนานเกิดขึ้นทีแล้วมันก็จะติดนะบางทีก็ติดนานนะติดนานเช่นความยินดียินไล่เหนืออารมณ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะความเครียดความเหงาความกลัวความรักความชังเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นไบ่อยแล้วพอกระทบแล้วมันก็จะติดนาน แต่พอเราเห็นบ่อยๆเราก็จะเห็นเออมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองนะมันสิ่งต่างๆนี่มันมันไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่นานนะมันก็ผ่านมาผ่านไปนะก็คือมันเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วมันก็ผ่านไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเพียงแต่เราไม่ไปไม่ไปเกาะไปยึดมันเท่านั้นเองมันก็ผ่านมาผ่านไปเพราะจิตของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะกล่าวได้ว่าอาจจะไม่มีอารมณ์ อะไรเกิดขึ้นก็นได้นะก็มันเป็นสภาวะที่มันตั้งอยู่มันเพียงเดียวมันแค่รับรู้อารมเท่านั้นเองนะพอลมมันเกิดขึ้นมาจากอานิจนานะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยพอหูกระทบรูปพอหูกระทบรูปก็คือเสียงเนะี่ยหูได้ยินเสียงนะมันก็เกิดความยินดีร้ายเป็นต้นเนะี่ยมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา กระทบเสียงที่ไม่พอใจมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความไม่ชอบเกิดความเกลียดเกิดความโกรธขึ้นมาก็มันเกิดจากหูที่ไปกระทบมันก็คือวิญญาณธาตุนะวิญญาณธาตุก็คือวิญญาณก็คือโสตวิญญาณพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดสุขทุกข์ก็คือเวทนา เวทานาก็คือความสุขความทุกข์หรือความเฉยเก็คือความยินดียินร้ายหรือเฉยเยเกิดขึ้นมาในใจนะมันเกิดขันขึ้นมาแล้วนะขันเวทนาขันนะแล้วมันก็เกิดความสัญญาขึ้นมาอีกว่าเออมันก็จําได้ว่าเสียงนี่เป็นเสียงดา่านะเสียงดา่าเสียมันก็จิตก็จําขึ้นมาได้ก็เป็นสัญญาขันขึ้นมาอีกนะเพราะเป็นสัญญาปั๊บนก็ไปปรุงแต่งต่อเราจะทํำยังไงกับเขาดีเนาะจะว่าเขากลับไหมหรือจะอยู่เฉยเฉย นะหรือว่าจะไปาหาทางจะจัดการอย่างไรอันนี้ก็คื อ, อ ส, สังขารขันก็คือความปรุงแต่งต่อนะแค่เราได้ยินเสียงแค่นี้เองนะเนะมื่อเกิดเวทนาขันนะสัญญาขันสังขารขันปรุงแต่งขึ้นมาทันทีนะแล้วหลังจากนั้นเมื่อความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความรักความชังก็คือเกิดความโกโรธนะหรือเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเนะพราะนั้น จิตนี่จริงๆแล้วมันก็เฉยๆอยู่แล้วเพราะมันกระทบานะอารมณ์พะเรารู้ไม่ทันปับ๊บก็เกิดนะความโกรธขึ้นมานั่นเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ไม่ทันสภาวะที่เป็นตัวรู้นั่นเองนะนะรู้ไม่ทันวิญญาณขันนะก็คือเมื่อมันรู้เมื่อไม่ได้ยินปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้จบแค่การได้ยินนะก็มีการไปปรุงแต่งนะเป็นเวทนาขานันสัญญาขานันสังขารขันตามเข้ามาอีกเยอะแยะนะเนะนะพราะนั้นจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ มันก็ไม่มีอารมณ์อะไรหรอกอเพียงแต่ว่าอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นจากการที่เกิดการกระทบเราเรารู้ไม่ทันในตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นว่าเออเ ว, เวทนาขันน์้มันเกิดขึ้นแล้วกนะ็ไปปรุงแต่งต่ อ, อเยอะแยะเลยนะห ร, <c oughs> หรือตาเห็นรูปนะเช่นเราเห็นเห็นคนหนึ่งนะตอนแรกถ้าเราเห็นเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็แค่ผ่านๆไปก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะตามันก็ทางานของมันอยู่แล้วนะ มันก็เห็นรูปของมันอยู่แล้วนะแต่พอ<ร>คนที่เราเห็นปั๊บแล้วเกิดจําได้ว่าโอ้นี่คือเพื่อนของเรานะมันก็เกิ ด, กดนะเวทนาขึ้นมาทันทีนะอนะ่ก็คือเออเพื่อนเราปุ๊บแล้ก็เกิดความยินดีทันทีนะแล้วเกิดจําได้ว่าเออเขาชื่ออะไรนะพอนึกถึงสัญญาปุ๊บก็ปรุงแต่งต่อทันทีเลยว่าโอ้เพื่อนคนนี้ดีนะอนะเคยช่วยเหลือเราอ่นะก็นะเกิดนะ สังขารขานันปรุงแต่งขึ้นมาอีกนะเนี่ก็เกิดจากการที่เราไม่ได้แค่เห็นเฉยนะเห็นเฉยมันก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองนะแต่พอไปสําคัญมั่นหมายปับ๊บว่าเป็นเพื่อนที่เรารู้จักมันก็ไปปรุงแต่งอีกอีกเออยอะแยะก็เกิดกิเลสตามมาคือความยินดียินร้ายตามมาอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจิตคนเราเนี่ยมันมันก็เฉยเฉยอยู่แล้วนะเรียกว่าเป็นภระพัฒนสอนจิตคนเราเนี่เป็นาภระพัฒสอนแล้วก็คือ ไม่มีกิเลสอยู่แล้วเนี่ย<_ <d> _>เพียงแต่ว่ากิเลสมันจรวเข้ามาชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เรารู้ไม่ทันเขาเนี่ยเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นใน<__<__ในอารมณ์กิเลสก็คืออารมณ์นั่นเองนะที่มันเกิดขึ้ น, นแล้วเรารู้ไม่ทั น, นไปยึดนยในความยินดียึดร้ายของอารมณ์ต่างๆนะมันก็เลยเกิดกิเลสตามมาเยอะแยะเลยนะมีความรักความชังต่างๆนี่เป็นต้น เพราะสิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องรู้ให้ทันในเวลาอายนณนะคือตาหูจมูกลินกายใจเนี่ยเมื่อกระทบรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสหรือจิตนึกคิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรู้ให้ทันให้ไวๆแล้วก็วางทิ้งไปมันก็จะมาตรงกับตรงนี้ว่าสักแต่ว่านะตรงกับสักแต่ว่านี่ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะก็คือในสมัยพุทธกาลก็มีพระภ า, ภายยะเนี่แหละก็เป็น เป็นพ่อค้าในทางสำเพาแล้วก็เรือร่มนะแล้วก็ว่ายน้าขึ้นฝั่งนะซื้อผ้าก็หลุดรูยมาแล้วก็ขึ้นไปก็หาใบไม้มานุ่งแล้วก็เดินไปเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านก็นึกว่าเป็นพระละหันก็เลยบอกว่าเป็นพระลหันแล้วนะท่านก็เลยรับสมอ้าว่าเป็นพระลหันไปด้วยแต่ท่านก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นพระละหันหรอกท่านก็ อ, <c oughs> อยู่มาต่อมา <c oughs> ก็มีผู้ที่บอกว่า นะขณนะ น, นีะ้ได้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกแล้วนะเมื่อท่านได้ยินคําว่าพุทธเจ้านี่ก็ทนอยู่ไม่ได้นะก็เดินทางนะทั้งวันทั้งคืนเลยเพื่อที่จะไปกราบพุทธเจ้าขณะพุทธเจ้าก็บินบาตอยู่กลางถนนอนะท่านก็ไปขอฟังธรรมนะพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ที่ที่จะแสดงธรรมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกลับไปที่วัดก่อนก็แสดงให้ฟังนะแต่ท่านก็ไม่ยอมนะบอกว่าเออความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ก็ขอฟังครั้งที่สองจนครั้งที่3าพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังสั้นๆว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีตัวตนในโลกนี้ท่านจักไม่มีตัวตนในโลกนี้จักไม่มีตัวตนในโลกหน้าจักไม่มีตัวตนในโลกทั้งสอง นั่นแหละคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์นะเมื่อท่านแสดงธรรมเพียงเท่านี้พระพายะก็บรรลุเป็นพระรหั์เลยนะแล้วก็ได้รับเอตตะคะาในการนะบรรุธรรมเร็วที่สุดคือเป็นผู้ที่บรรุธรรมเร็วที่สุดเพียงองคเดียวนะเป็นเอตตะคะาในทางนี้เลยนะแค่สั้นๆ น, นี่ก็บรลุเป็นพระรหั์แล้ว แล้วก็มีมาลุงปะยะบุตนะระะตนะก็ถามพระเจ้าว่าเออข้าพระองคเ์เป็นผู้ที่แก่เท่าแล้วเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ขอเราฟังธรรมมาจากพระองค์ที่สามารถเปิบัติได้ง่ายๆพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเหมือนกันเอกนะเรื่องศักดิ์สักศักระวานี่แหละสักดิ์ได้ยินสักดิ์ได้เห็นศักดิ์รูว่ารู้ศักดิ์รวาทราบนะก็สั้นๆแค่นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงศักตะวานนี่มันก็เลยเป็นหัวใจที่สำคัญในการบรรลุธรรมได้เร็วมาก จึงมาตรงกับเทคนิคลมประเทียนในข้อนึงข้อที่สองว่ารู้เฉยๆนั่นเองนะก็คือศักแต์ว่ามันก็คือรู้เฉยๆตาเห็นถ้าเราไม่ได้ไปหมายมั่นว่าเออนี่เป็นอะไรเป็นคนที่เรารู้จักเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนหล่อคนสวยหรือว่าหน้าเกลียดหน้ากลัวนะมันก็แค่เห็นเฉยๆเท่านั้นมันก็ผ่านไปแล้วนะมันไม่ได้ว่าไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเพ่งไปจ้องไปจดจอ่อไปทาให้เกิด ความยินดียินร้าในจุดนั้นก็คือตามันก็ทํางานของมันอยู่แล้วมันก็แค่เห็นเฉยเราก็มันก็ทํางานของมันอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่เราไปไม่ไปให้ความสําคัญมันหมายไม่ไปสนใจมันก็ไม่มีไปธนาตามมานะหรือหูได้ยินมันก็แค่เฉยๆอยู่แล้วนะเราก็ได้ยินตั้เยอะเนีเสียงสัตว์ตุ๊กแกจิ้งจบไก่ร้องสุนัขเห่าแล้วก็เฉยๆแต่พอเป็นคําพูดปุ๊บเราก็ไปสําคัญมันหมายนะมันก็กลายเป็นไม่รู้เฉย ก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารตามมายเยอะแยะนะเป็นความปรุงแต่งจิตสิ่ ง, งต่างๆเนี่ยคือมันก็จะได้มาตรงกับเทคนิคหลงประเทียนเมอร์รู้เฉยๆก็คือสักแต่ว่าเท่านั้นเนี่ยมันจะได้ไวจุดนี้จิตจะไม่ไปไปติดไปยึดในสิ่ ง, งต่างๆเพราะการนี้ติดจิตไปติดไปยึดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุปท า, า น, นอุปท า, า, า, านนี่เป็น เป็นปัจจัยนะเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติตามมาอย่างที่ว่าในปฏิจจสมุปบาทนะก็ไล่ยาวกันมาตั้งแต่ว่าวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายยานะสลายยนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสลายยานะก็คือเปัจจัยให้เกิดผัสสะก็คือการกระทบ ผัสสายปัจจัยเกิดเวทนาก็คือความยินดียินร้ายหรือความเฉยเฉยเวทนาปัจจัยเกิดตัณหาคือความทยันอยากตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานก็คือความยึดติดยึดมั่นถือมั่นอุปทานปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติพบชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกกาปริทุกเทวโทมนัสตาหมายยาวเหยียดนะเพราะปัจจัยที่ให้เกิดพบเกิดชาติก็คืออุปทานนั่นเองนะ อุปทานก็คือความยึดความติดความยึดมั่นถือมั่นในในตัวตนของเราว่าเป็นของเราในตัวตนของบุคคลอื่นนะความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆอย่างนะมันก็เป็นอุปทานทั้งหมดนะเป็นปัจจัยที่เกิดภพเกิดชาติทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นภพชาตินี่ก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นลูกโซ่ถ้าเราตัด ตัดลูกโซ่ขาดก็คือตัดความยึดมั่นถือมั่นนะหรือความยึดติดให้ขาดเนี่ยมันก็ไปตัดห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทให้ตรงนี้ขาดลงนะเพราะฉะนั้นเมื่อห่วงโซ่ของความยึดติดขาดลงแล้วเนี่ยห่วงโซ่ที่ตามมาก็คือภพชาติมันก็เลยหมดไปด้วยเนะมื่อหมดไปมันก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ต่างๆตามมามันก็คอยพล อ, อยดับไปด้วยเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือตรงกับผลิพานนั่นเอง ปณิพาน์น่นคือความที่มันหมดนะหมดความหมดความ <720 S 1> เกิดนะหมดอชรามระทุกกระทมนะัดต่างๆตามมัน ก, ก็คือมันก็อยู่ตรงนี้ว่าเออพยุตปณิพานธ์นี่ยน่าจะตรงกับความที่เราไม่ยึดติดในสิ่งตง่างๆแล้วเนี่ยมันก็ <S <S <S ดับอดับภพดับชาติในตรงนี้นะเพราะบางคนโอ้ไปบัติเพื่อปณิพาน์ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไปฏบัติเพื่อปณิพัน์อธิษฐานอ บุญนี้ที่เราทําขอให้สำเร็จซึ่งพระนิพพานแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังยึดติดนะยึดมัน่นถือมั่นอยู่เยอะแยะแล้วมันจะไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรนะหรือตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแต่ก็ยังเป็นคนขี้โกรธขี้กลัวขี้เหงาขี้รักขี้ชังแล้วมันก็ตรงกับความยึดติดอยู่ดีแล้วมันจะไปพระนิพพานได้ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่ตรงความไม่ยึดติดแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายมากเหมือนกับเรามีกุญแจ ที่สามารถที่จะเปิดลูกุญแจเนี่ยสามารถเปิดกุญแจได้ถูกต้องมันก็เปิดได้ได้เร็วนะแต่ถ้าเราเจอกุญแจแล้วเรากุญแจไม่ต้องเยอะแยะเราก็ไขไปมันก็เปิดไม่ได้สักครั้งหนึ่งก็าาเพราะเราไม่ตรงกับลูกุญแจที่มันตรง ก, กับแม่กุญแจนั้นนั่นเอ ง, น, น, เองนะเพียงแต่เราต้องใช้ลูกุญแจให้ถูกต้องมันก็จะได้ไขแม่กุญแจได้นะนนนน ก็คือความไม่ยึดติดนั่นเองนะไม่ยึดติดคือไม่ยึดติดใ น, ในทุกๆสภาวะสภาวะของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ความยินดีนะความยินร้ายหรือเฉยๆในทุกๆลมให้เรารู้เท่าทันนะแล้วก็ปล่อยไปให้ใจเป็นกลางนะใจเป็นความปกตินะเป็นกลางนะกับ ท, ท, ท, ทุกๆสภาวะของรมนะมันก็จะตรงอุเบกขานะอุเบกขานะ มันก็จะวัยขึ้นในการที่เราจะไม่เข้าไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเพราะเราได้ยินเสียงตับ๊บเราก็เป็นกลางไปเลยนะหะูตายรูปก็เป็นกลางในอารมณ์เหล่านั้นนะมันก็จะตรงกับว่าเออเราก็ไม่เพลินในอารมณ์ไม่เพลินไปในอารมณนะ์นคนเราเนะี่ยชอบเพลินไปในอารมณ์ต่างๆก็คือความที่เราไปยึดติดในอารมณ์ต่างๆนั่นเองนะ ตาเห็นรูปก็ไปเพลินในในรูปนะมันก็เป็นเพลินดินดีร้ายนะถ้าไม่เพลินมันก็คือความที่เราเป็นกลางกับสิ่งเหล่านั้นนะหูได้ยินเสียงก็ไปเพลินในเสียงเหล่านั้นเป็นความยินดีร้ายแค่เราไม่เพลินมันก็หลุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือความไม่เพลินนั่นเองนะไม่เพลินเป็นอารมณ์ต่างๆก็ความที่เราเพลินนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นนันทีนะคือนันทีราคะคือความเพลินไปในอารมณ์ต่างๆคราวนี้ความไม่เพลินก็คือเราเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยเราก็หลุดหมดเลยไม่เพินเมื่อมาตรงกับความไม่ยึดติดนะตรงนี้กำลังดีนะเราไม่เพินนะไปในสิ่งต่างเท่านั้นมันก็ง่ายนะคราวนี้เราก็ปล่อยสิ่งต่างให้เร็วมันก็คือการที่เราจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาทุกอย่างแค่เรายอมรับที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ทุกแล้วนะทุกๆอย่างเลยเช่นมีใครเขมามาด่าเรา ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเรายอมรับเไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเรายอมรับเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญส่วน ม, มากคนเราเนี่ยจะไม่ยอมรับสิ่งต่างที่มันทําให้เราเนี่ยเสียประโยชน์ในตรงนั้นนะหรือว่าเออเราคุณค่าเราลดน้อยลงนะเราก็จะไม่ยอมรับแต่ถ้าคุณค่าเราสูงขึ้นเราก็จะยอมรับนะยกตัวอย่างเช่นเราไปบัตรธรรมเราไปบัตรดีเราก็ยอมรับ แต่พอเราปฏิบัติไม่ดีเราก็ไม่ยอมรับนะเออมันไม่ดีนะ <c oughs> ไม่ยอมรับแล้วมันก็เป็นความนะทุกข์ไงไอ้ตรงนี้ก็แสดงว่าเราก็ไม่ยอมรับมันนั่นเองทงั้งๆนั้นมันก็แสดงพระไตรักความจริงเราเห็นว่ามันอนิจจังอยู่แล้วเราต้องยอมรับมันนะนแค่เรา ย, ยอมรับมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะทุกๆกอย่างแค่เรา ย, ยอมรับเท่านั้นเองนะไม่ว่าอะไรจะดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ยอมรับทุกๆอย่างมันก็มันก็จบในตรงนั้นนะนะ ทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาในตัวของมันอยู่แล้วเราจะไปบังคับบัญชาอะไรเขาไม่ได้เลยนะให้เป็นไปนตามใจของเราเนี่ยไม่ได้ทุกๆอย่างนะถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้เนี่ยเขาก็เป็นตัวเป็นตนนะสิใช่ไหมแต่ในเมื่อเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เราก็แค่ยอมรับมันก็ไม่ทุกแล้วมันก็จบในตรงนั้นแล้วนะมันก็มาตรงกับว่าเออเราสามารถที่จะช่างมันกับอารมณ์ต่างๆไหม ใครก็มาดินทาว่าเราเราก็แค่ช่างมันมันก็จบแล้วจบมันเลยทุกอย่างเราก็สิ่งต่างเกิดขึ้นเราก็ช่างมันไปเรื่อยดีไม่ดีก็ช่างมันถูกไม่ถูก็ช่างมันการช่างมันก็คือความยอมรับนั่นเองนะยอมรับยอมรับในปรากฏการธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเองว่ามันเข้ามาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเมื่อไหร่มันจะเกิดการดิ้นรนในทางใจทันทีที่จะไปแก้ไขมัน แก้ไขทุกอย่างเลยนะการแก้ไขหรือการดิ่ลนทางใจนั่นแหละมันก็คือความทุกข์แล้วนะคร น, นี้ถ้าเราแค่เรายอมรับความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเช่นเราสูญเสียอะไรไปนะสูญเสียสินที่เรารักนะบางทีเราต้องทำใจเป็นเวลานานที่จะยอมรับความสูญเสียนั้ น, นมันก็คือความทุกข์ในระยะเวลาที่เราต้องทำใจที่จะยอมรับ แต่ถ้าเรายอมรับทันทีมันก็แค่แวบเดียวมันก็ยอมรับมันก็ไม่ก็ไม่ทุกแล้วมันก็อยู่ตรงนี้ว่าระยะความทุกเนี่ยมันยาวหรือมันสั้นอยู่ที่เรายอมรับได้เร็วไหมเท่านั้นเองนะถ้าเราไม่ยอมรับมันเร็วเนี่ยมันก็มีความทุกนานมากทีเดียวสมัยสมัยก่อนก็เคยมีนักโทษเนี่ยเขียนจดหมายมาหากหลายคนนะแต่ว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรอก แต่ะเี๋เขาก็เคยเห็นชื่อที่อยู่ในหนังสือเป็นบังเล่มนะก็เขียนติดต่อมาบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้โอเข้าติดคุกเนี่ยก็ยมีความทุกข์มากเลยแล้วก็มีความแค้นพยาบาทมากด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วต้องมาติดคุกติดคุกมาสองปีแล้วมีความแค้นมากน ะ, อะตอนนั้นก็อาตมา ก, ก็เลยคิดหมายตอบเาว่าเออบางทีที่ติดคุกเนี่ยถูกแล้วล่ะมันไม่ผิด แต่ว่ามันอาจจะในไม่ได้ชาตินี่อาจจะไม่ได้ทำความผิดไว้แต่ชาติก่อนนะคุณอาจจะทำความผิดไว้ก็ได้นะนะดูอย่างนกนะนกมันก็ไม่เห็นมันจะทำผิดอะไรเลยไม่โดนจับขังคุกตลอดชีวิตก็มีนะเพราะนั่นบางทีกรรมเราไม่ได้ทำในชาติเนี่ยแต่ชาติก่อนเราทำไว้ น, นะก็มีใช่ไหมอ่าก็เขียนในเขาเนี่ยอมรับในกรรมที่เขาเคยทามาในชาติก่อนไม่ใช่ในชาตินี้นะนะสิ่งเขาเคยทามาเนี่ยให้ยอมรับสภาวะกรรม นะทุกอย่างมันเกิดจากกรรมในชาติก่อนอมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องทําในชาตินี้เสมอไปนะถ้าทําในชาตินี้เสมอไปทุกคนก็ต้องเท่าเทียมกันหมดนะเกิดมาต้องมีทรัพย์สินสลิงคานเท่ากันแต่คนเรามีกรรมไม่เท่ากันนะจึงมีสติปัญญามีความฉลาดมีทรัพย์สินนะมีรูปประทั์ไม่เหมือนกันนะในที่สุดพอเขาอ่านจดหมายไปสองสายมากเขาเริ่มยอมรับขึ้นมาทีเดียวว่าเออมันเป็นกรรมในชาติก่อนนะไม่ชาติปัจจุบัน เขาบอกว่ า, วาออตอนหลังเขามีความสุขแล้วนะติดคุกเหลืออีก10ปีเนี่ยแต่เขาก็มีความสุขกว่าเก่าเพราะว่าเขายอมรับว่าเป็นกรรมในชาติก่อ น, นก็แค่เขายอมรับเท่านั้นมันก็มันก็มีก็พ้นจากความทุกข์ในตรงนั้นแล้วเพราะถ้างคนเนี่ยโอ้อยากจะได้ลูกชายแต่ได้ลูกสาวโอ้มีความทุกข์ทำไมเป็นแบบนี้นะโอ้มีความทุกข์มากแต่พอผ่อนผ่านไปสักสงสาปีโอ้ ลูกสาวก็น่ารักดีฉลาดด้วยเก่งด้วยก็ยอมรับมันก็ไม่ทุกนะบางคนพอเป็นมะเร็งใหม่ๆเป็นอ้เรองใหม่ก็มีความทุกข์โอ้ทําไมต้องเป็นเรานะรูเงี้นะเมื่อก่อนไม่กินอาหารวันนี้ก็ดีเออเป็นเอสด้เมื่อก่อนไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ก็ดีนะเมื่อคิดวนเวียนอยู่เงี้ยทุกๆวันนะมีความทุกข์ทุกทางใจมากกว่าทางกายเลยอยากฆ่าตัวตายนะแต่พอผ่านแล้วสองปีโอ มันก็เกิดความยอมรับได้ว่ามันก็มันก็ทนได้นะจิตมันก็เริ่มที่จ ะ, ะมีความเคยชินในการที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้จิตก็ค่อยๆ ย, ยอมรับความทุกข์ก็ลดลงน้อยลงไปหรือหมดไปนะแต่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะที่จะให้จิตยอมรับในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะเฉพาะหน้าเราไม่ว่าจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดนะแค่เรายอมรับมันก็จบไปแล้วนะไม่ต้องไปดิน้นรนแก้ไขอะไรเลยนะ มันความทุกข์มันจะหมดเปนในตรงนั้นเองนะเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะก็คือให้เรายอมรับความจริงในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตรงหน้าเราการที่เราจะยอมรับความจริงในตรงนี้ัด้ก็คือเราต้องเห็นก่อนว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนาตาเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลยนะมันเป็นสภาวะแบบนั้นเองนะจิตมันจะค่อยๆปล่อยวางทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะแล้วจิตมันก็จะผ่านในทุกๆทุกๆสิ่งทุกๆอารมณ์มันจะไหลไปทั้งหมดนะ อันนั้นมันจะไม่มีการดิ้นรนทางใจต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีการดิ้นรนทางใจนะก็คือหมายความว่าใจมันไม่ทุกข์นะเมื่อใจไม่ทุกข์มันก็ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้นะไม่ยังเป็นเพระการปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นนะแต่ถ้าใจไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอะไรนะแล้วจิตไม่ได้ตรงตรงกับสภาวะที่เราจจะไม่เพลินเอาไปในลมต่างๆนั่นก็คือความไม่ยึดติด นะเมื่อความไม่ยึดติดนั่นแหละถ้าเราเข้าใจว่าออหมายถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยมันเป็นหนทางแห่งความพน้นทุกข์ที่แท้จริงนะคือเมื่อเราได้กุญแจที่มันถูกลูกที่จะมาไขไอ้กุญแจเนี่ยให้ออกไปจากอิสระไปสู่สารภาพก็คือสู่พระนิพพานนี่จริงจริงก็คือความไม่ยึดติดนี่แหละเป็นหนทางที่เราสามารถที่จะทําได้ไม่ยากไม่เกินความความสามารถของเราบางคนว่าพระนิพพานอยู่ไหนเกินความสามารถแต่ความยึดติดจริงๆแล้วไม่เกินความสามารถนะ พวกเราสามารถทำได้ทุกค น, กนแล้วเมื่อเราทำได้แล้วพนิุพานธุ์ก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าของเราในบัดเดี๋ยวนี้นั่นเองนะ